ถ้าพื้นฐานบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่เป็นมิจฉาทิธฐิน่นะซึ่งมิจฉาทิฏฐิแบ่งเป็นสองกลุ่มคืออุดเฉททิธฐิกับสัตตทิธฐินี่นะพวกอุดเฉททิฐิกับสัตตทิฐินี่นะ เป็นพื้นฐานเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อมิจฉาสังกปะเพราะว่าอย่างกลุ่มอุเชททิฏฐิถือเช่น ถ, ถือว่ากามทั้งหลายไม่มีโทษเ ย, ย, ย่างเช่นถ้าถือว่ากามทั้งหลายไม่มีโทษเนี่ยนะบาปอากุศลไม่มีผลอะไรจะเกิดขึ้น เช่นผู้ที่เป็นอุดเชตา ท, ทิฏฐิสัสตทิฏฐิเนี่ยมันเหมือนเหมือนกันทั้งหมดคือกรรมไม่มีผละนะหรือผลบุญไม่มีผลบาปไม่มีทําบุญทําบาปไม่มีเป็นต้นเนี่ยน ะ, ะบุคคลเหล่านี้ไม่เห็นว่ากรรมทั้งหลายมีโทษบาปอากุศลมีผลบุคคลเหล่านั้นจะมีอะไรนอกจากกามวิตกพยาบาทวิตกแล้วก็ วิเหงษาวิตกนั่นนะถ้าพื้นฐานเราไม่ถือว่าอากุศลมันมีโทษใช่ไหมถ้าถืออกุศลไม่มีโทษเวลากามมวิตกก็เต็มที่เลยโดยที่ไม่มีการอ ะ, อะไรนะผ่อนผ่อนเปาเล่ า, ลาไม่มีมีแต่หนักมือขึ้นหนักมือขึ้นอย่างกลุ่มพยาบาทวิตกก็เหมือนกันถ้าพื้นฐานเป็นมิจฉาทิฐินะัพยาบาทมันมีกําลังมันจะไม่รู้สึกว่าจําเป็นต้องลดอะไรมีแต่การเสริมพยาบาทมากยิ่งขึ้น ส่วนวิหิงสาวิตกก็จะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นทีนี้วิธีการของพวกวิตกเหล่านี้ก็คือหนึ่งแก้ปัญหาด้วยมุสาวาทนะในบางกรณีก็ใช้มูสาวาทเป็นเครื่องแก้ส่งเสริมกามวิตกนนะพอเช่นปรารถนาวัตถุกรามก็ใช้มุสาวาทบ้างอย่างที่สองก็ใช้ปิสุนาวาจาปิสุนาวาจานั้นก็แปลว่าส่อเสียด ก็ใช้ใช้วิธีการคือไปส่อเสียบบ้างแล้วก็ต่อไปอีกก็พุษสวาจาพูดคำหยาบบ้างแล้วก็บางทีก็ใช้คำเพอร์เจอร์อย่างในยุคนี้ที่ที่น่ากลัวมากคือมันมีกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพเพอร์เจอร์เพื่อให้คนขำเนี่ยนะ พูดเพอเจอเพื่อให้คนหัวเราะอย่างนั้นเถอะเมื่อพูดอย่างนั้นเนี่ยก็เอาอะไรมาเพราะพื้นฐานเข้ามีแต่การมวิตกมีแต่พยาบาทวิตกมีแต่มีหิงสาวิตกต์ก็เป็นที่มาของการล้อเลียนทั้งหลายไปล้อเลียนคนมีศีลเข้าก็ลําบากยไปล้อเลียนคนมีศีลเพื่อให้คนสนุกเพลิดเพลินบ้างหรือจะด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่สรุปรวมรวมมาแล้วก็มุสาวาตบ้างปิสุณาบ้าง ปิสุนาวาจาเนี่ยนะสอเสียดบ้างพุทสวาจาบ้างเพอเจอร์บ้างพวกนี้ถ้ามันมีกำลังเต็มที่คืออะไรถ้าพวกนี้นมันกายก็จะเป็นน่นะปานาธิบาทอันหอนทินนาทานกาเมสุมิชฌาจารย์เพราะพวกนี้ถือว่าหยาบที่สุดแลวใช่ไหม พวกมุสาวาตมีบางอย่างผิดกฎหมายไหมบางอย่างผิดกฎหมายใช่ไหมพฤุสวาจาบางอย่างผิดกฎหมายปิสุณาวาจานี้ถ้าธรรมดาบางทีก็ไม่ถึงกับผิดกฎหมายอะไรนส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยผิดกฎหมายแต่ถ้าว่าร้ายผู้อื่นโดยที่บางทีก็ผิดเนี่ยนะก็แล้วแต่กรณีไปแต่ว่ารวมๆแล้วพวกนี้ทั้งหลายก็มีกฎหมายรองรับใช่ไหม อย่างที่มันมีโทษมากก็คือกลุ่มปานาติบาตอธินาทานการเมซูมิจฉาจางเนี่ยกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ผิดกฎหมายร้ายแรงนี่นะปัญธาพื้นฐานเป็นมิจฉาทิฐิอย่างเดียวตามด้วยอกุศลวิตกตามด้วยมิจฉาวาจานนะมิจฉากัมมันตะ อาชีวะนี้อยู่ตามนี้อยู่ในนี้อยู่แล้วเพราะบางคนเนี่ยมู้าเป็นอาชีพบางคนส่อเสียดเป็นอาชีพรับจ้างส่อเสียดบางคนพุทวาจาเป็นอาชีพบางคนเพอเจอเป็นอาชีพก็มีบางคนทำปาณาติบาตเป็นอาชีพบางพวกทำอถินาทานเป็นอาชีพบางพวกก็กาเมสุมิจฉาจารเป็นอาชีพ การมีสุมิชฉาจารย์เป็นอาชีพทีนี้พวกพวกนี้นะมันมีองค์ประกอบคือมิจฉาวายามะอยู่แล้วนี่นะมิจฉาสติอยู่แล้วแล้วก็มิจฉาสมาธิอยู่โดยธรรมชาติของเขามีอยู่แล้วโดยโดยธรรมชาติถ้ามิจฉาสติ กับพวกมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธินะถ้ามันเสริมมันเสริมอะไรมันเสริมมิจฉาทิฐิเนี่ยนะเช่นบางคนเนี่ยนะมิจฉามิจฉาวายามะเนี่ยภาคเพียนในการทําปานาติบาตอ่าภาคเพียนในการมูสอา่าทำบาปทำอกุศลเนี่ยนะบางพวกก็มิจฉาสติใช่ไหมระลึกวิธีการทําบาปทำอกุศลโดยประการต่างๆ พวกมิจฉาสมาธิก็ตามสมควรว่าถ้าสงบมากทำบาปได้มากบางคนเนี่ยครุ่นคิดวิธีการทำบาปจนจิตจิตสงบนะแต่สงบแบบร้อนไม่ได้สงบเย็นอะไรเนี่ยบางทีก็ใช้เวลาครุ่นคิดวางแผนในการทำบาปใช่ไหมอย่างเขามีอย่างบางท่านเวลาอยู่ในสงครามจะเกิดขึ้นเนี่ยต้องไปตกปลา มันจะได้สงบนะแลล ว, ว่าตกปลาแล้วจึงจะคิดแผนบางอย่างออกในการทำปาณาติบาตอันนี้การตกปลามันต้องอาศัยความนิ่งในชะ่มแลก็ได้ทําบาปเพราะจริงๆแล้วไม่ใช่ต้องการตกปลาจริงๆแต่ต้องการทำสงครามนะก็ใช้ก็ใช้ความสมาธิบางอย่างเหมือนกันที่จะคิดในหลายๆเรื่องก็ถามผู้การว่าแม่ทัพทั้งหลายนี่อยู่ในที่ชุลมุนหรืออยู่ในที่เงียบๆเนะี ส่วนใหญ่จะหาที่เงียบๆอยู่ใช่ไหมเพื่อจะได้คิดการได้ก็อาศัยเนี่ยพวกสติสมาธิเนี่ยแต่เป็นมิจฉาพวกมิจฉาสติมิจฉาสมาธิเนี่ยนะพวกนี้คืออากุศลจิตตุบาตเนี่ยนะพวกนี้เป็นอกุศลจิตตุบาตทั้งหมดเลยแม้แต่พวกธรรมทินาทานทั้งหลายแหละเนี่ยพวกนี้ก็ใช้วายามะสติมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉา สมาธิแล้วพวกกลุ่มเหล่านี้ถ้ายิ่งนี้เท่าไหร่จะเสริมมิจฉาทิฐิเท่านั้นถ้าเสริมมิจฉาทิฐิเท่าไหร่ก็รุ่น ค, คิดสังกัปปะเท่านั้นเนะรุ่นคิดเท่าไหร่ก็จะพูดตามนั้นมาเท่านั้นพฤติกรรมก็ตอบสนองผันผู้ที่มีมิจฉามักเต็มเตี่ยมบริบูรณ์ก็คือทางแห่งนรกทางแห่งเปติวิสัยทางแห่งเดรัชานนี่คือคติของเขาอ่ะนะเพราะอันนี้เป็นมักเป็นปฏิปทา เครื่องให้ถึงนรกเปรตอสุรกายและเดรัจฉานเป็นถือว่าเป็นมิจฉาปฏิปทาเป็นมิจฉาปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อสร้างทุกข์ไม่มีจบมีสิ้นเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อเพิ่มทุกข์เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อเพิ่มทุกข์แต่ถ้ามองในยะตรงกันข้ามถ้าเป็นสัมมามัตตก็จะเป็นทางเพื่อออกจากจากวัฏฏุ ทีนี้ถ้าเป็นพวกสัมมามุขเนี่ยอยู่แต่ที่อยู่ถ้าถ้าอนุภาพของกรรมสกตาดีกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิดีสุขมนุษย์และสวรรค์นะมนุษย์และเทวดาเนี่ยนะคือผลของกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิพราพอพอมีความเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรม ก, ก็ก็เชื่อเรื่องบุญนะพอเชื่อเรื่องบุญก็กุศลวิตตกตามสมควร เมื่อกุศลตกตามสมควรก็มารักษาศีลตามสมควรพอ ร, รักษาศีลก็พวกนี้ก็จะเป็นศีลในที่สุดผลก็คือมนุษย์กับเทวดาทีนี้บางพวกก็มาถือตรงนี้เป็นหลักมาอบรมตัวสัมมาสมาธิเป็นหลักนะพวกนี้ก็จะมีพื้นฐานคือฌานสัมมาทิฏฐนะิมีฌานสัมมาทิทฐิพวกนี้ก็ปฏิบัติเพื่อพรมโลก ทีนี้นก็มีกลุ่มที่เป็นเรียกว่าวิปัสนาสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะที่ลึกซึ้งเข้าไปกันนั้นอีกพวกวิปัสนาสัมมาทิฏฐิทั้งองค์ประกอบกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิการสัมมาทิฏฐิวิปัสนาสัมมาทิฏฐิประชุมพร้อมกันอันนั่นคือมรรคแปดเนี่ยนะหวังว่าเข้าใจนะเงียบๆแปลว่าอะไรเนี่ย ถ้าการประชุมกันกิจครั้งถึงเรียกว่ามรแบตนะครั้งแรกยังไม่ใช่หรือว่าใช่แล้วอย่างพื้นฐานผู้ที่มีอ่านนะกรรมสักตาสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะพวกนี้ถามว่ารู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นผู้มีกรรมสักตาสัมมาทิฏฐิ พวกนี้มีกุศลสังกัปปะเนี่ยนะมีกุศลสังกัปปะแล้วก็พื้นฐานของกุศลสังกัปปะของเขาเนี่ยทําให้เขามีกุศลศีลดีเนี่ยนะกุศลศีลีใช่ไหมเมื่อเขากุศลศีลดีเนี่ยอะไรอีกดีแม้กระทั่งการคบมิตรเป็นต้นของเขาก็ดีอันนี้อันนี้ทิฏฐินะสัมมาทิฏฐิ เมื่อสัมมาทิฏฐิของเขาเนี่ยสูงระดับฌานสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะก็แสดงว่ากุศลสังกัปปะของเขาเนี่ยได้ระดับฌานพื้นฐานของศีลของเขาก็ดีเยี่ยมทีนี้ผู้ที่จะได้อบรมวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะจริงๆกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเป็นฐานอย่างดีของฌานสาัมมาทิฏฐิฌานสัมมาทิฏฐิเป็นบาดของ วิปัสนาสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นถ้าแยกให้ดีนะกรรมสกตาสัมมาทิฐิคือศีลฌานสัมมาทิฐิคือสมถะนะวิปัสนาสัมมาทิฐิคือปัญญาพวกนี้ถ้าประชุมกันก็เรียกอริยมรรคประชุมกันได้เมื่อไหร่ก็เป็นอริยมรรคมรคสัมมาทิฏฐิผลของมรคสัมมาทิฐิก็เรียกว่าผลสัมมาทิฐิ ก็พื้นฐานอยู่ที่ปัญญาดันกรรมสัมมาทิฏฐิทั้งกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิฌานสัมมาทิฏฐิจึงจําปรารถนาจําปรารถนามากจําเป็นมากทีนี้ถ้าผู้ที่เริ่มอบรมเริ่มอบรมก็คือฝึกเจริญเอๆๆกกรรมสกตาสัมมาทิฏฐินี่ให้ดีๆ น, นะเพราะกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิดีเท่าไหร่อ่นะ สัมมาวาจาสัมมาวาจาจะดีเท่านั้นแล้วก็กรมมันตะจะดีเท่านั้นนีน่ถ้าฌานสัมมาทิฐิดีเท่าไหร่นี่นนะสัมมาสังกัปปะจะดีเท่านั้นเพราะฌานสัมมาสังอ ปัญญาที่เรียกว่าฌานสัมมาทิฐิเนี่ยนะทำให้กุศลสังกัปปะเนี่ยดีถ้าเป็นวิปัสนาสัมมาทิฐิอะไรดีเนี่ยนะพวกนี้สัมมาวายามะดีสัมมาสติดีสัมมาส ม, มาธิธ ด, มมมมธธดีเพราะว่าผู้ไม่พาคเพียรเนี่ยนะที่จะมีปัญญาไม่ใช่ฐานะ ผู้ที่หลงลืมสติจะเจริญวิปัสสนาก็ไม่ใช่ฐานะผู้ที่ฟุ้งซ่านเจริญวิปัสสนาก็ไม่ใช่ฐานะเนี่ยนะท่านก็ผู้อันนี้จึงเป็นมรรคหนึ่งสัมมาทิฏฐิ 3, ใช่ไหม 2, สามมาองสัมมาสังกัปปะสามวาจาสีัมมันตะอันท่าวาจาดีกัมมันตะดีก็อาชีวะก็ดีอยู่แล้วเนี่ยนะก็อาชีวะนะสัมมาวายามะสาัมมาสติสัมมาสา ม, มาธิก็จะเป็นเป็นมรรคแดเนี่ยนะ ทีนี้ไ อ, ไอสำคัญมากที่สุดคือทำยังไงจะประชุมกันได้อะ ท, ที่จะทำให้ประชุมกันได้มันพื้นฐานผู้ที่เจริญองค์มรรคทั้งหลายเนี่ยเขาเขาเรียกว่าตั้งมีความตั้งใจเอาไว้ชัดเจนว่าเจริญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวาจาเป็นต้นเนี่ยมุ่งแทงตลอดอริยสัจเรียกว่าตั้งประเด็นชีวิตเอาไว้ชัดเจนเลย ว่ากุศลธรรมทุกอย่างที่เจริญเนี่ยเพื่อกำหนดรู้ทุกละสมุ ท, ทยัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญอริยมรรคทำให้อริยมรรคเต็มเปี่ยมบริบูรณ์พูดถึงเรื่องกรรมสกตามีความสำคัญมากแต่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นชัดๆว่าให้เจริญยังไงในเรื่องกรรมสกตตาเออนี้เธอไปเจริญกรรมสกกรรมสกตานะอย่างนี้ กรรมสักตาเนี่ยที่ทั่วๆไปไม่ค่อยไม่ค่อยพูดถึงเพราะว่าพูดถึงอ่า น, นะพูดถึงศีลอยู่แล้วส่วนใหญ่จะพูดถึงศีลแทนเนี่นย น, น, น, นะเช่นอนะสัมมาวาจาแล้วก็สัมมากรมตเนี่ย น, น, นะแล้วก็สัมมาอาชีวะ พวกพวกศีลทั้งหลายเนี่ยนะกรรมสกตาสัมมาทิฏฐินี่ถือว่าเป็นเป็นตัวสําคัญมากถ้าไม่มีกรรมสกตาสัมมาทิฏฐินะถามว่าการงดเว้นจากมูสาวาตมีประโยชน์ตรงไห น, นการมดเว้นจากคําพูดส่อเสียดดียังไงแต่ตอนนี้ก็จะไม่รู้ใช่ไหมพันธกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันเป็นตัวประกาศวา่าศีลถ้า กรรมสกตาสัมมาทิฐิดีเท่าไรศีลจะดีเท่านั้นถ้ากรรมสกตาสัมมาทิฐิเลวเท่าไหร่ศีลก็ลดลงเท่านั้นถ้าไม่มีกรรมสกตาสัมมาทิฐิจะไม่มีศีลเลยเนี่ยนะที่ไม่ล่วงศีลเพราะไม่ได้ปัจจัยเนี่ยนะไม่ได้ปัจจัยให้ล่วงศีลแต่ว่าจริงๆแล้วไม่มีศีลเนี่ยนะอันถ้ามีกรรมสกตาสัมมาทิฐิดีเนี่ยนะก็จะต้องมาเว้นจากอะไร เพราะศีลเนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือศีลที่เป็นเจตนาศีล น, น, นะเจตนาศีลกับเจตสิกศีลเนี่ยนะกับเจตนาศีล น, น, น, น, นี่เจตนาก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มนะเจตนาเว้นกับเจตนาปฏิบัติถ้าวีรตีเนี่ยถือ เ, อเว้นเป็นประมาณเจตสิกศีลก็คือวีรตีนั่นเอง เนี่ยนะถ้าเจตนาก็คือเจตนาปฏิบัติ เ, เจตนาที่เรียกว่าเจตสิกศีนที่เป็นวีรติก็คือวารีสินเนี่ยนะถ้าเป็นปฏิบัติก็เป็นจารีศินนี่อย่างข้อแรกเลยนะีสัมสัมมาวาจาข้อแรกคืออะไรเว้นจากอ่านะละกับ เวนละเวนมุสาวาดเนี่ยถามว่าถ้าจะปฏิบัติปฏิบัติยังไงก็คือพูดคำสัตย์คำจริงนะพูดคำสัตย์คำจริงดำรงมั่นอยู่ในคำสัตย์คำจริง มีถ้อยคําเป็นหลักฐานคือพูดทุกอย่างมีหลักฐานมีที่อ้างอิงไม่ใช่ว่ายกเมฆลอยลอยขึ้นมาอยากจะพูดอะไรก็พูดไปเรื่อยเป็นต้นเนี่ยนะก็คือพูดคําศัพท์คําจริงมีหลักฐานนั่นแหละอันนี้ต้องต้องมาปฏิบัติคําพูดประเภทนี้นี่เราพูดเฉพา ะ, ะตัวสัมมาวาจาก่อนนะเนี สองอะไรละเว้นจากปิสุนาวาจาปิสุนาวาจาเนี่ยคือคําพูดที่ฟังข้างนี้แล้วไปบอกข้างโน้นให้มันแตกจากข้างนี้ซะฟังข้างโน้นแล้วมาบอกข้างนี้ให้คนหมู่นี้แตกกันนะพันถ้าเขาร้าวหน่อยเดียวเราก็รีบแย่ยเข้าไปจะได้ร้าวมากขึ้นมากขึ้นอย่างเงี้ย กลุ่มนี้แหละเรียกว่าปิสุนาวาจาพูดส่อเสียดน่ น, นะเขาทะเลาะกันแล้วเราก็ย่างช่างยุช่างแย่นั่นแหละทีนี้พวกที่เว้นจากปิสุนาวาจาเนี่ย น, นะก็มาเป็นเจตนาศีลจาดีศีลด้วยพูดพูดอะไรพูดสมัครสมานสามัคคีน่นะปรองดองน่ น, นะแล้วก็ส่งเสริม ส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีปรองดองเนี่ยนะแล้วก็ยินดีผู้ที่มีความสมัครสมานสามัคคีปรองดองพันชื่นชมนิยมยกย่องเห็นเขาปรองดองกันก็ดีใจบันเทิงมีความสุขไปกับเขาที่เขาอะไรนะมองหน้ากันด้วยสายตาประดุดน้ํากับน้ํานมมันเข้ากันได้ไม่ใช่น้ํากับน้ํามันเนี่ยนะนะคำว่ามองดูกันด้วยสายตาเทระปิยะจักสุกก็คือตาอันเป็นที่รักเนี่ยนะ ไม่ใช่มองทีก็ถลึงสายทิงไม่ใช่ทังนก็ส่งเสริมคนกลุ่มนั้นนะเพราะตัวเองนี่ละเว้นส่อเสียดไม่ยอมฟังทางนี้แล้วไปบอกทางโน้นฟังทางโน้นก็ไม่มาบอกทางนี้รู้ว่าอะไรที่จะเป็นเหตุให้ร้าวรานกันก็ไม่พูดเนะพูดแต่ในแง่ส่งเสริมสนับสนุนกันเนี่ยนะพวกนี้เรียกว่าสัมมาวาจาทีนี้สามอะไร ละเว้นจากคําหยาบเนี่ยนะเรียกว่าพฤะวาาัสดละเว้นจากคําหยาบคําหยาบก็คือคําหนคำที่เรียกว่าฟังแล้วอ่ะมันคนที่รับฟังนะ น, นะเดือดใจทันทีเลยจะใช้ศัพท์ไหนไม่เกี่ยงเอาเป็นประมาณว่าพูดให้คนฟังเนี่ยเดือดร้อนขึ้นทันทีเลยจะใช้สัพท์ไหนก็ได้ ดูก่อนพ่อมหาบัณฑิตจริงๆก็จะด่าว่าแกนี่โง่มากนะนะ่ะถึงจะใช้สัพ์ใดก็ตามอันนะถือว่าเป็นพุทสวาจาเพราะว่าเจตนาที่พูดมุ่งประทุษร้ายผู้ฟังถ้าคำใดที่มุ่งเพื่อประทุษร้ายผู้ฟังคำนั้นเรียกว่าพุทสวาจาใช้ศัพท์ไม่เกี่ยงเอาไปหลับให้สบายเอาไปฆ่ามันซะเอาออกไปเถอนะเนะี่ยไง อาไปประหารนั่นแหละถ้าคำประเภทนี้ก็เป็นพุทสวาจาเนี่ยนะเขจะใช้คํานิ่มนวลฟังดียังไงก็ตามถ้าพูดประสงค์ร้ายเรียกว่าเป็นพุทสว aja าาหมดเพราะสภาพจิตที่พูดเนี่ยมันหยาบเนีย่ยนะเอาสภาพจิตที่เป็นต้นเหตุเป็นประมาณว่าหยาบมากส่วนคําพูดที่เว้นจากพุทสวาจาก็คือสับไม่ค่อยเกียงเท่าไหร่ แต่ว่าถ้าจะให้ดีก็ควรเป็นคําของชาวเมืองนะนะไม่ใช่ชาวเมืองสุโขทัยโบราณนนะะชาวกรุงเทพก็แล้วกันชาวเชียงใหม่ก็ได้เจ้าเจ้าอย่างนั่นนะมันก็คือก็เป็นคําของชาวเมืองคนโดยมากเขาฟังแล้วเขาพอใจอ่ะนะเขาบอกว่าใช้คําพูดประดุดหญิงชาวเมืองหญิงชาวเมืองโดยมากเ ม, มืองโบราณอ่ะนะ เจอคนปูนพ่อก็จะเรียกพ่อปูน ล, ลุงก็จะเรียกลุงปูนป้าปูนหน้าปูนอาก็จะเรียกตามนั้นภาษาชาวเมืองกับชาวตลาดคนละอย่างกันไม่ใช่ใช้ภาษาชาวตลาดภาาชาวตลาดฟังแล้วเดือดร้อนมันก็คือถ้อยคําประเภทเนี้พูดไพเราะพูดแล้วคนฟังสบายใจเนี่ยนะพูดด้วยพูดอีกนายหนึ่งแปลว่าพูดแบบผู้มีเมตตาพูดอ่ะพูดด้วยคําหวังดีประสบประสงค์งดี เคยได้ยินผู้ใหญ่ด่ว่าเราไม่ให้มุม้ยมาเอ้ยแต่ว่าทําไมเราไม่โกรธ น, น, นะเพราะว่าสภาพจิตท่านดีอ่ะพังก็ถือเอาสภาพจิตเป็นประมาณแล้วก็ใช้ใช้ถ้อยคําที่ดีที่เหมาะสมคําพูดประเภทนี้แหละเป็นสัมมาวาจาเว้นจากพุทธสวาจาถ้าใครที่พูดพูดแล้วให้คนอื่นเขาฟังไม่สบายใจนะคนนั้นอ่ะสัมมาวาจาไม่ดีแต่พูดแล้วคนอื่นเรารู้แล้วพูดแล้วเขาสบายใจเนี่ยนะ แล้วคำนั้นต้องหนึ่งต้องไม่มูสาวา่าต้องไม่ปิสุนาวาจาด้วยนะแต่คนอื่นเขาฟังแล้วสบายใจอะ่ะอันนั่นแหละเป็นคำพูดที่ประกอบไปด้วยเมตตาเป็นการละเว้นจากพุทวาจาส่วนคำพูดอย่างที่สี่ก็คือเว้นจากละเพอเจอเว้นจากจากคำเพอรเจออันนะละคำเพอร์เจอเว้นขาดจากคาพูดเพอเจอก็พูด พูดถูกกาละเนี่ยนะคพูดบางอย่า ง, นนะางเนี่ยนะบางคําเนี่ยถ้าพูดผิดที่นี่เป็นเพเ่อร์อรนะพูดไม่ถูกกาละพูดไม่ถูกเวลาพูดไม่เหมาะสมเนี่ยนะคาพูดเราเนี่ยเป็นพูดเพเื่อเจอนาตาไว้ขํๆกันเล่นอย่างเงี้ยก็เป็นเพเ่อร์ไปไม่ได้เป็นคําคําดีอะไรทีนี้คําพูดที่ที่เรียกว่า เว้นจากคำเพื่อเจอเนี่ยนะคำนั้นอิงวินัยเอเข้าไปอิงอัดอิงทำอิงวินัยอิงอัดก็คืออิงอะไรอิงอัดนก็คืออิงเช่นทุกขสัตอิงอ่าอิงนิโรธสัจจะอิงทำก็คืออิง สมุทัยสัจจะอิงมัคสัจจะอิงวินัยก็คืออิงสังวรวินัยกับอิงปหาณวินยัยทีนี้อิงสังวรวินัยก็แบ่งเป็นสังวรห้าแบ่งเป็นปหาณะห้าสังวรห้าปหาณะห้าเนี่ยนะก็เป็นคําพูดลักษณะนี้คําพูดประเภทนี้แหละเป็นสัมมาวาจาเป็นคําพูดที่เป็นสัมมาวาจาก็ พยายามฟังเสียงเอานะของมาก็โนต้ตโนตไปอย่างนั้นแหละพยายามจดตามเสียงนะอย่จดตามตัวหนังสือนั <c oughs> ้นพวกนี้เป็นสัมมาวาจานั้นผู้ที่ประพฤติสัมมาวาจานั้นไม่ใช่ว่าแค่ไม่พูดอย่างเดียวแล้วเป็นสัมมาวาจานในขณะเดียวกันก็พูดเป็นเนี่ยนะพูดเป็นนี่ข้อสําคัญที่ต้องละเว้นให้เด็ดขาดก็คือเนี่ยฝ่ายวีรตีเนี่ยต้องเว้น เว้นประดุดอะไรประดุดเว้นของไม่สะอาดเว้นของปฏิกูลเว้นหลุมโสโครกเว้นทางครุขระถามว่าทำไมต้องเว้นก็ลองมูสาวาดดูนะโทษโลกนี้เป็นยังไงเนี่ยนะอ้าวูาากานลูกน้องผู้กานมาพูดมูสาวาดให้ฟังเช้า่ังเย็นเลยนะควรจะเป็นยังไงนะอนาคตตกงานแนะ่ คือผมสังเกตดูนะชีวิตผ่านมาขนาดนี้นะพูดถึงว่าคนจะมุสาจริงๆนะมุสาไม่สําเร็จครับคือปกปิดอะไรก็ตะโกนหกลายพูดไม่จริงไม่สําเร็จถ้าถูกเปิดเผยจนได้ครับเพราะเราไม่สามารถที่จะไปป้องกันคนอื่นที่จะไปพูดกับคนอื่นในเรื่องนี้นะฮะเหมือนกับเราพูดนะตัวเองไม่พูดก็ภรรยาพูดภรรยาไม่พูดก็ไอ้ลูกพูดเผลอพูดไปนะลูกไม่พูดก็ไอ้ลูกน้องให้พูด ไมรู้ใครก็รที่รู้เรื่องดีเขา อ, อาจจะพูดนีปิดไม่มีมิดสักอย่างเลยเพราะนั่นป่วยการครับที่อะไรมูสาพัานมูสาวาสเนี่ยถ้ายิ่งอะไรนะถ้ายิ่งตั้งใจปิดด้วยอาจจะยิ่งถูกรีบเปิดก็ได้นะเ<ช>พราะว่ามูสาวาสนั้นมีโทษทั้งโลกนี้นะโลกนี้ก็เสียหายหลายคนไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตน่ยนะถ้าสังเกตให้ดีๆเพราะมูสาวาส ด, ด้วยซ้าไปเพราะมูสาวาสก็เลยเสียหายมากเนี่ยนะ แล้วยิงเป็นผู้ใหญ่นะผู้ทำมุสานะ่เรารู้สึกรู้สึกลังเกียดเลยเหมือนกันเนี่ยถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่นะถ้าเกิดมุสาได้มันบอกไม่ถูกเลยนคือไม่น่าจะมุสาก็มุสาเนี่ยนะก็เสียหายมากทั้งถ้ามุสาได้ก็มีอะไรบ้างทําไม่ได้ถามว่าโลกหน้าเลยโลกหน้าเกิดมาถูกหลอกตลอดเลยนะชีวิตบางคนนะ้เกิดมานี่ถูกหลอกตลอดเลยนะถามว่าทํำไมอย่างนั้น ไปที่ไหนก็ถูกเขาหลอกถูกเขาโกงถูกเขามุสาวาดถูกเขาเอาจนเสียหายหมดอ่ะนะก็คือเดือดร้อนในโลกหน้า